ความฝันที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าโอปปปาติกะมีจริงส่วนความฝันที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่จะช่วยให้เข้าใจเรื่องโอปปปาติกาได้ง่ายก็คือความฝันประเภทที่สซึ่งเป็นการฝันเห็นของจริงขอให้สังเกตดูว่าโดยปกติคนเราจะเห็นอะไรจะต้องอาศัยตาและนั่นย่อมหมายถึงว่า เราจะต้องตื่นด้วยและต้องอยู่ในที่สว่างด้วยและจะต้องมีภาพมากระทบตาด้วยการเห็นจึงจะเกิดขึ้นมาแต่สำหรับในกรณีของความฝันเราจะเห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังที่กล่าวมานี้เลยเพราะถึงแม้เราจะนอนหลับในที่มืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยและตาก็ปิดสนิทอยู่และไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถึงกระนั้น ในความฝันก็ปรากฏว่ามีการเห็นอะไรต่ออะไรได้ต่างๆถ้ายิ่งนอนหลับได้สนิทมากและใจสงบภาพที่เห็นก็จะยิ่งชัดมากปัญหามีอยู่ว่าทำไมในความฝันจึงมีการเห็นเกิดขึ้นได้ยิ่งในกรณีที่เป็นการฝันเห็นของจริงคือไม่ใช่นึกขึ้นมาเองเช่นฝันเห็นบุคคลหรือสถานที่ ซึ่งต่อมาก็ปรากฏว่าเป็นความจริงนั้นยิ่งทำให้สงสัยมากขึ้นว่าเห็นได้อย่างไรอะไรเป็นผู้เห็นตามที่เคยเข้าใจกันมาก่อนว่าเห็นด้วยตานั้นสำหรับในกรณีอย่างนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่แน่ถ้าเช่นนั้นอะไรเล่าเป็นผู้เห็นและเห็นได้อย่างไรอันหนึ่ง ในความฝันไม่มีแต่เพียงการเห็นเท่านั้นแต่ปรากฏว่าการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรสการรู้สึกสัมผัสทางกายตลอดถึงความนึกคิดต่างๆก็มีเหมือนกันชีวิตในความฝันไม่ผิดอะไรกับชีวิตในตอนที่เราตื่นจากหลับและยิ่งเป็นการฝันที่ชัดเจนมีความประทับใจตื่นขึ้นมาแล้วก็มักจะนึกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในความฝันเป็นเรื่องจริง การศึกษาเรื่องความฝันให้เข้าใจโดยตลอดและศึกษาจะข้อเท็จจริงวิธีนี้เท่านั้นที่จะทาให้เราเข้าใจเรื่องโอปปปาติกะได้ง่ายและเมื่อเข้าใจเรื่องโอปปปาติกะชัดเจนแล้วเราก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าร่างกายของคนเราทุกคนเอากําเนิดมาจากวิญญาณของตนไม่ใช่เอากําเนิดมาจากพ่อแม่หรือจากธรรมชาติอะไรอย่างอื่นวิญญาณเท่านั้นเป็นผู้ที่สร้างตัวเราขึ้นมา แต่อย่างไรก็ดีสาหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องความฝันที่เป็นความจริงก็ยากที่จะเข้าใจได้ว่าชีวิตในความฝันบางครั้งเป็นชีวิตจริงๆคือไม่ใช่เป็นเพียงมโนภาพและโดยทั่วไปคนที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องความฝันที่เป็นความจริงก็มีน้อยมากเพราะฉะนั้นคนส่วนมากจึงไม่ยอมเชื่อว่าร่างกายของเราเกิดมาจากวิญญาณ เราไม่ยอมเชื่อว่าตัวตนในความฝันจะกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้แต่ข้าพเจ้าก็ใกล้ที่จะให้ท่านผู้อ่านได้โปรดคิดสักหน่อยหนึ่งว่าความจริงต่างๆในทางวิทยาศาสตร์ที่เรายอมรับกันทั่วไปนั้นคนที่จะรู้แน่ว่าเป็นความจริงก็คือนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทดลองมาด้วยตัวของเขาเองเท่านั้น ส่วนคนประเภทอื่นอยู่ในฐานะที่เชื่อตามนักวิทยาศาสตร์เพราะตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยแต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มีมากและมีทั่วโลกสถาบันการศึกษาการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นสถานที่ใหญ่โตซึ่งเพียงแต่เห็นสถานที่เท่านั้นก็ทำให้คนทั้งหลายรู้สึกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสาคัญมากนักวิทยาศาสตร์เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้การพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์ตรงกันไม่ว่าจะไปถามนักวิทยาศาสตร์คนไหนเขาก็ลงความเห็นอย่างเดียวกันและเมื่อมีการออกถแถลงการหรือการพิสูจน์อะไรให้ประชาชนดูก็สามารถสร้างความเชื่อถือแก่ประชาชนได้จริงชื่อเสียงของนักวิทยาศาสตร์จึงเป็นเครื่องรับรองได้อย่างดีว่าสิ่งใดที่นักวิทยาศาสตร์พูดประชาชนก็พร้อมที่จะเชื่อถือได้เสมอทั้งๆที่เขาเองก็ยังไม่ได้พิสูจน์ เนื่องจากผลงานที่มีประโยชน์และเชื่อถือได้ของนักวิทยาศาสตร์มีมากฉะนั้นคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันจึงรู้สึกกันว่าจะเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าคำสอนในทางศาสนาขอให้สังเกตว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราเชื่อกันนั้นเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเลยเราเชื่อตามคนอื่นก็เมื่อในทางวิทยาศาสตร์เองก็ยังเป็นเช่นนี้ฉะนั้น ในทางศาสนาเราก็ควรจะยอมเชื่อตามคนอื่นไปพลางก่อนถึงแม้ว่าเราจะยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ตามเพราะถ้าไม่ยอมเชื่อกันบ้างแล้วก็ไม่มีทางที่จะเห็นความจริงในทางศาสนาได้เลยหมาเหตุ<ม>ผู้อ่านขอยกตัวอย่างกับเรื่องจริงนะครับผู้อ่านเองเคยไปคุยกับเยรุ่นในเรื่องโลกหลังความตาย แล้วก็เจอคำถามว่าเคยตายมาก่อนหรือไงถึงได้เชื่อว่าโลกหลังความตายมีจริงซึ่งในกรณีนี้ก็มีคำตอบเทียบให้เห็นเช่นกันว่าและที่เราเชื่อว่าโลกลมนั้นเราไปเห็นด้วยตาตนเองออกไปนอกอวกาศและมองเห็นโลกลมด้วยตนเองได้หรือเปล่าซึ่งก็มีคนไม่กี่คนที่ออกไปเห็นโลกลมจริงๆแต่ทาไมคนส่วนมากจึงยอมเชื่อว่าโลกลมนั่นก็เพราะว่ามีหลักฐานมีการเทียบเคียง และมีอะไรหลายอย่างในทางทฤษฎีที่รวมกันแล้วพอให้เชื่อว่าโลกกลมโดยที่เราไม่เคยเห็นด้วยตาของเราเองแต่เราส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าโลกกลมเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องโลกหลังความตายจะมีจริงหรือไม่จริงนั้นก็สามารถเทียบเคียงด้วยเหตุผลและหลักฐานหลายอย่างประกอบกันอย่างเดียวกับเรื่องของโลกกลมเช่นเดียวกัน ความเป็นจริงในกรณีของคนที่ฝันเห็นของจริงนั้นหมายความว่าตัวตนที่เกิดขึ้นในความฝันเป็นตัวตนที่มีชีวิตขอยนึกถึงเรื่องความฝันของคนบางคนที่เขาฝันเห็นสถานที่หรือบุคคลบางคนซึ่งต่อมาภายหลังก็ปรากฏว่าเป็นความจริงคือไปเห็นสถานที่หรือบุคคลตรงกับที่ฝันเห็นทุกประการในกรณีอย่างนี้เราจะอธิบายด้วยวิธีอื่นไม่ได้ นอกจากเราจะยอมรับทฤษฎีของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าโอปปาติกะซึ่งเป็นชีวิตที่เกิดจากใจโดยตรงโดยไม่ได้อาศัยพ่อแม่และไม่ต้องอาศัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเหมือนอย่างมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าตัวตนที่เกิดจากจิตใจโดยตรงนั้น ก็มีอวัยวะต่างๆครบถ้วนเหมือนกับกายเนื้อมีตาหูจมูกลิ้นมีสมองมีความรู้สึกเนื้อคิดเหมือนกับมนุษย์แตกต่างกันก็เพียงแต่ว่าร่างกายของมนุษย์เป็นกายเนื้อและเป็นกายที่หยาบส่วนร่างกายของพวกโอปปาติกะเป็นกายทิพย์และเป็นกายที่ไปไหนมาไหนไดรวดเร็วเท่ากับใจนึกกายทิพย์นี้เกิดง่ายแต่ก็สลายตัวง่าย เราเป็นร่างกายที่เกิดจากจิตใจโดยตรงนี่คือหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ซึ่งสามารถที่จะหาหลักฐานจากพระไตรปิฎกได้หลายแห่งโดยอาศัยหลักวิชาดังที่กล่าวมานี้แล้วลองพิจารณาดูว่าในกรณีของคนที่ฝันเห็นของจริงนั้นถ้าหากว่าตัวตนมีความฝันไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิต เราจะสามารถเห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆถูกต้องตามความเป็นจริงได้อย่างไรพราสิ่งที่เห็นในความฝันไม่ใช่สิ่งที่จิตใจนึกขึ้นมาเองแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและคนอื่นก็สามารถเห็นได้ตรงกันหมายเหตุผู้อ่านตัวอย่างที่ชัดและเป็นข่าวดังมาหลายครั้งนะครับ เช่นมีกรณีข่าวดังที่ลูกหายตัวไปหลายปีไม่สามารถติดต่ อ, อ ก, กันได้มานานวันหนึ่งก็ฝันเห็นลูกมาบอกว่าถูกฆ่าตายและถูกฝังไว้ซึ่งพอไปตรวจสอบกันจริงๆก็พบว่าถูกฝังไว้ในบริเวณที่บอกไว้นั้นจริงๆและก็ยังมีอีกหลายกรณีที่เป็นข่าวให้พบเห็นได้ประจำนะครับถึงเรื่องที่มีคนตายมาบอกเกี่ยวกับศพหรือบอกเรื่องบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ตายรู้คนเดียวเท่านั้น ซึ่งก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่พอจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการติดต่อโดยโอปปาติกะที่เป็นของจริงให้สังเกตนะครับว่าหลายเรื่องวิทยา ศ, าศาสตร์ไม่สามารถตอบได้หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่พุทธศาสตร์มีคำตอบให้กับเรื่องเหล่านี้ไว้ยังครบถ้วนสำคัญก็คือคนที่ไม่เชื่อส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงความไม่เชื่ออยู่อย่างนั้นโดยไม่ยอมศึกษาศาสนาให้เข้าใจ หรือแม้ได้ศึกษาแล้วก็อาจตีความไปในแง่มุมของตนหรือมาใช่เหตุผลทางวัตถุหรือหลักการที่ตนยึดถืออยู่นั้นมาตั้งไว้เป็นหลักในการพิจารณาก็เลยไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เลยก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับ